วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะมาเติมพลังให้กับจิตใจของพวกเราด้วยการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะใจของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ ที่จะต้องแวะตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ํามันเติมน้ําเติมลมใจของพวกเราก็ต้องการน้ํามันต้องการน้ําต้องการลมใจของเราถึงจะมีพลังมีกําลังใจที่จะเดินทาง ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนากันก็คือไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายไปสู่ความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดใจต้องมีพลังต้องมีน้ำมัน ต้องมีกําลังใจถึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสวัสดิภาพถ้าขาดพลังขาดน้ำมันของใจขาดกําลังใจแล้วใจก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้ การมาวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการมาสถานีบริการมาเติมน้ำมันให้กับใจเติมน้ำเติมลมให้กับใจด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรมรมพอเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ใจก็จะมีสติฟังแล้วก็จะเกิดศรัทธา เกิดปัญญาเกิดสมาธิขึ้นมาทำเหล่านี้แหละที่เรียกว่าเป็นพลังของจิตใจคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อสองวิริยะความภาคเพียรสามสติสี่สมาธิความตั้งมั่น ขงใจในความสงบและห้าปัญญาความฉลาดรู้ความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายนี่คือธรรมที่จะทำให้เกิดพลังเกิดกำลังให้แก่จิตใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่กีดขวาง การเดินทางให้ไปสู่เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจจำเป็นที่จะต้องมีน้ำมันเหล่านี้คือมีศรัทธามีวิริยะความขยันหมั่นเพียรมีสติ ความละเลิกเลือจดจอ่ออยู่กับอารมณ์เดียวความตั้งมั่นในความสงบคือสมาธิและปัญญาความรู้ตามสภาพความเป็นจริงทั้งหลายนี่คือพลังของใจที่จะเกิดขึ้นจากการมาวัด มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้เรากําลังเจริญวิริยะความเพียรเราต้องฟังกันการฟังธรรมนี้ก็เป็นการทําความเพียรอย่างหนึง่งเวลาฟังก็ต้องฟังด้วยสติคือใจก็ต้องจดจอ่ออยู่กับการฟัง ไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไปพูดกับคนนั้นคนนี้หรือไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจจะจดจ่ออยู่กับการฟังทมอันนี้ก็เรียกว่าการมีสติการมีสติก็คือการจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เวลาที่เราปฏิบัติเราก็จดจอ่ออยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือจดจอ่ออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติพอเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมอย่าไปจดจอ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าไปจดจอ่ออยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุทโธ เพราะจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงธรรมที่กำลังฟังอยู่ได้การฟังธรรมเวลาฟังธรรมจึงต้องจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูแล้วก็เข้าไปสู่ใจด้วยกำลังของสติถ้าเข้าไปสู่ใจก็จะสามารถทำใจให้สงบได้เป็นสมาธิ ไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้ลมหายใจเข้าออกแต่ใช้เสียงธรรมนี่แหละเป็นเครื่องปล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้แล้วถ้าสามารถพิจารณาตามหลักของเหตุผลของธรรมที่กําลังแสดงอยู่ได้ mm. ก็จะเกิดปัญญาเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่ กำลังแสดงอยู่ถ้ามีความเข้าใจก็เรียกว่ามีปัญญาถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบก็เรียกว่ามีสมาธิอันนี้จะเป็นผลที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยสติด้วยวิริยะความภาคเพียรฟังแล้วก็จะทำให้เกิดศรัทธาใน พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทาให้เกิดศรัทธาในผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาเกิดศรัทธาขึ้นมาได้และจะทำให้ผู้ที่มีศรัทธานั้นมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปได้ และจะทําให้ผู้ที่กําลังเสื่อมศรัทธานั้นหยุดความเสื่อมศรัทธาได้การฟังเทศฟังธรรมเป็นธรรมเป็นการปฏิบัติที่สําคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆให้หมันฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต คือเป็นประโยชน์สุขแก่ผู้ฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอ น, นั่นเองเพราะจะได้เติมคุณธรรมทั้ง5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้แก่ผู้ฟังนั่นเองเพอมีศรัทธามีสติมีวิริยะมีสมาธิมีปัญญา ก็จะทำให้สามารถปฏิบัติต่อไปได้อย่างเข้มข้นและจะก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางได้เวลาฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ละครั้งนั้นผู้ตบปฏิบัติจะมีความรู้สึกมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมา ก่อนที่จะมาฟังนั้นบางครั้งบางเวลาก็มีความท้อแท้เบื่อหน่ายมีความอ่อนแรงไม่อยากจะปฏิบัติอยากจะไปทำตามความอยากของกิเลสตัณหาต่างๆแต่พอมาได้ยินได้ฟังทำแต่ละครั้งนั้นก็จะทำให้ เกิดพลังใจขึ้นมาที่จะบากบั่นปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสตัณหากับความโลภความโกรธความหลงกับความอยากต่างๆแทนที่จะไหลไปตามความโลภความโกรธความลหลงไหลไปตามความอยากพอได้ฟังธรรมแล้วก็จะเห็นโทษ ของการไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาก็จะฮึดสู้ขึ้นมาก็จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาพอมีการปฏิบัติมีการเจริญสติมีการเจริญสมาธิมีการเจริญปัญญาก็จะมีกำลังที่จะกำจัด กิเลสตัณหาต่างๆให้เบาบางลงไปและให้หมดไปจากจิตจากใจได้การฟังเทศฟังธรรมมีประโยชน์เป็นการเติมพลังให้แก่จิตใจในระดับหนึ่งเพื่อให้มีกำลังใจที่จะไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้เติมพลังอย่างเต็มที่ได้ต่อไป เบื้องต้นต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วจะเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วจะมีความเชื่อมั่นในผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การบรรลุถึงพระนิพพานแดนอันกเกษมสันแดนที่มีแต่บร ม, มสุขนิพพานังปราร a m ังสุขขังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้เดินไปถึงกันผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามตัวอย่างที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ดำเนินกันก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจำเป็นจะต้องเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชเป็นชายหรือไม่เป็นชายเป็นผู้ใหญ่หรือไม่เป็นผู้ใหญ่ผู้ปฏิบัตินั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอยู่กับวัยเป็นนักบวชก็บรรลุได้ไม่ได้เป็นนักบวชก็บรรลุได้เป็นหญิงก็บรรลุได้เป็นชายก็บรรลุได้เป็นเด็กก็บรรลุได้เป็นผู้ใหญ่ก็บรรลุได้การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ที่วัยอยู่ที่เพศอยู่ที่สถานภาพ แต่อยู่ที่การมีพลังทั้งห้ามีคุณธรรมทั้งห้าอยู่ในใจหรือไม่คือมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาอยู่หรือไม่ต่างหากถ้าผู้ใดมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธามีวิริยะแล้วรับรองว่า จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนในสมัยพระพุทธการจึงมีคนทุกเพศทุกวัยบรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันมีนักบวชที่บรรลุ ก, กันมีคารวะผู้คลองเรือนบรรลุ ก, กันมีหญิงมีชายบรรลุ ก, กันมีเด็กมีผู้ใหญ่บรรลุ ก, กันเพราะสมัยนั้น เป็นสมัยที่มีพระพุทธเจ้าและพระอาจาน์ตสาวกเป็นผู้คอยเติมกำลังใจให้ถ้าเป็นน้ำมันก็เป็นน้ำมันแท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีสารอย่างอื่นเจือปนไม่มีน้ำหรือไม่มีสารอย่างอื่นที่จะทำให้ความเข้มข้นของน้ำมันนั้นเจือจางจางไป การฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอาหารหันตสาวกก็ดีนี้จะได้น้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้ธรรมะร้อยเปซนฟังแล้วก็จะทำให้เกิดมีพลังใจเป็นอย่างมากเหมือนกับการเติมน้ำมันที่เป็นน้ำมันร้อยเปรเซ็นต์ต่างกับเติมน้ำมันที่มีอย่างอื่นผสมเข้ามา อันนี้ก็จึงทำให้ปรากฏมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากและมีทุกเพศทุกวัยมีทุกสถานภาพเพราะว่าการบรรลุนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยกับสถานภาพของบุคคลแต่อยู่การมีคุณธรรมที่เป็นพลังของใจ ทั้งห้าประการนี้หรือไม่เท่านั้นเองดังนั้นการได้ฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเพราะว่าความรู้ของผู้ที่บรรลุกับความรู้ของผู้ที่ไม่บรรลุนั้นไม่เหมือนกัน เหมือนคนที่ได้ไปต่างประเทศมาแล้วเช่นประเทศสหรัฐแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังว่าประเทศสหรัฐมีอะไรบ้างจะต่างกับคนที่ไม่ได้ไปที่ประเทศสหรัฐเพียงแต่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับประเทศสหรัฐเวลาเล่าเรื่องของประเทศสหรัฐให้ฟังนี้จะไม่เหมือนกันจะไม่ตรงกับความ เป็นจริงเหมือนกับผู้ที่ได้ไปที่ประเทศสหรัฐมาแล้วฉันใดการฟังธรรมจากผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนี้จึงต่างจากการฟังธรรมจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานฟังธรรมจากผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนี้จะเกิดศรัทธาจะเกิดความอยากที่จะปฏิบัติเกิดฉันทะ เกิดวิริยะขึ้นมาเกิดความเพียรขึ้นมาแต่เวลาฟังจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานฟังแล้วก็ยังอดที่จะสงสัยในประเด็นนั้นหรือประเด็นนี้ไม่ได้ฟังแล้วก็ยังไม่เกิดฉันทะขึ้นมาเกิดความยินดีเกิดวิริยะความอยากที่จะปฏิบัติขึ้นมา อันนี้ต่างกันในสมัยนี้การฟังธรรมจึงต้องรู้จักเลือกฟังว่าควรจะฟังจากใครเพื่อจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ผู้ที่เคยได้ไปฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ได้บรรลุมรกผลนิพพานแล้วจะเกิดความประทับใจมากกว่าการไปฟังเทศฟังธรรม จากผู้ที่เรียนรู้จากพระคำภีเพียงอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติจะไม่มีความรู้สึกประทับใจเหมือนกับการได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากพระผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ดุดพ้นแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญศรัทธา การฟังเทศฟังธรรมไม่ได้หมายความว่าฟังจากทุกบุคคลแล้วจะเกิดศรัทธาขึ้นมาเหมือนกันฟังจากบุคคลที่ยังไม่บรรลุนี้จะไม่เกิดศรัทธาเหมือนกับฟังจากบุคคลที่ได้บรรลุแล้วแล้วถ้าเสื่อมศรัทธาพอได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ได้บรรลุแล้วก็จะสามารถ หยุดความเสื่อมของศรัทธาได้สามารถปลุกศรัทธาให้กับคืนขึ้นมาใหม่ได้ทําให้ใจที่อ่อนแอท้อแท้เบื่อหน่ายกับการปฏิบัติเกิดความยินดีเกิดความพอใจที่จะปฏิบัติต่อไปได้อันนี้เรียกว่าฟังแล้วจะทําให้เกิดศรัทธา ยามใดที่เรามีความเสื่อมศรัท ธ, ธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีในผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติก็ดีขอให้เรามาฟังเทศฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันจะฟังจากพระพุทธเจ้าก็ เปิดหนังสือพระไตรปิฎกฟังพระสูตรต่างๆอ่านพระสูตรต่างๆจะฟังจากครูบาอาจารย์ถ้าท่านผ่านไปแล้วก็ต้องอาศัยหนังสือและซีดีที่มีบันทึกเสียงธรรมของท่านไว้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมกับท่านโดยตรงเลย แล้วจะทําให้เรานั้นถ้าไม่มีศรัทธาก็จะมีศรัทธาถ้าเสื่อมศรัทธาก็จะระงับยับยั้งความเสื่อมของศรัทธาและปลูกศรัทธาให้กลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ถ้ามีศรัทธาอยู่แล้วก็จะทําให้มีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปจะทําให้สามารถปฏิบัติ ให้เข้มข้นมากขึ้นไปได้อันนี้คือประโยชน์จากการได้ฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วจะทําให้เกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาก็จะทําให้เกิดวิริยะตามมาคือความยินดีฉันทะคือความยินดีที่จะปฏิบัติ ก็จะเกิดวิริยะความอุตสาหะความพยายามความภาคเปลี่ยนที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะปฏิบัติในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้เจริญสติให้เจริญเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมานั่นเองสมาธินี้เป็นผล ที่เกิดจากการเจริญสติถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีสติใจลอยไปลอยมาคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ใจจะไม่มีวันเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้เลยแต่ถ้าใจมีสติควบคุมบังคับให้จดจ่ออยู่กับ อารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับคําบริกรรมพุทธโธเพียงอย่างเดียวหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าสามารถควบคุมบังคับให้ใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่ได้กําหนดไว้ได้ไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลาเข้าสู่ความสงบก็เรียกว่าเข้าสู่สมาธิ สมาธินี้ก็คืออัปปนาสมาธิหรือคณิกสมาธิการรวมของใจรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้การรวมนี้ถ้ารวมเดียวเดียวก็เรียกว่าคณิกสมาธิถ้ารวมนานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติก็มักจะพบกับคณนิกะสมาธิก่อนเนื่องจากกำลังของสตินี้ยังมี ไม่มากพอพอที่จะดึงเข้าไปให้สงบได้แป๊บเดียวแล้วกำลังของตันหาความอยากก็จะดันจิตให้ถอยออกมาให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพพะแต่ถ้ามันเจริญสติอยู่เรื่อยๆโดยไม่เฉพาะแต่เวลาที่นั่งสมาธิเท่านั้นควรจะเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย จนถึงเวลาหลับตานอนเราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาในทุกอิริยาบทในทุกการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายเราสามารถเจริญสติได้ถ้าเราให้ใจจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธไป ไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรก็บริกรรมพุทธโธไปกำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่ง น, นั่งกำลังนอนกำลังทำอะไรต่างๆก็บริกรรมพุทธโธไปดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนอกจากเรื่องที่กำลังทำอยู่ในขณะในในขณะนั้นนี่กคือการเจริญสติดึงใจให้ ตั้งมั่นไม่ให้ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆตามความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ดึงเอาไว้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปหรือจะให้อยู่กับการกระทำของร่างกายก็ได้ถ้าอยู่กับพุทธโธก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าอยู่กับร่างกายเรียกว่ากายกะกตาสติ ใช้กายเป็นที่ตั้งของสติถ้าพุทธโธก็ใช้ถ้าพุทธานุสติก็ใช้พุทธโธเป็นที่ตั้งของใจถ้าระลึกถึงความตายก็เรียกว่าการใช้การระลึกถึงความตายเป็นที่ตั้งของสติให้ระลึกอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม และการตายนี้ก็ตายได้ทุกเวลานาทีไม่มีใครไปกาหนดได้ว่าจะให้ตายเวลาไหนไม่ให้ตายเวลาไหนถ้าคิดอย่างนี้ใจก็จะได้รีบขวนขวายปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะได้ผลที่จะเป็นประโยชน์หลังจากที่ตายไปแล้ว แต่การกระทําอย่างอื่นเช่นการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจะเป็นประโยชน์เฉพาะเวลาที่มีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่ตายไปแล้วจะไม่สามารถเอาลาบยศสรรเสริญเอาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายติดไปกับใจได้เลยแต่ ทำที่ได้ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นมรรคผลขั้นไหนก็ตามจะสามารถเอาติดไปกับใจได้ทั้งหมดหมเลยนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับถ้าเราใช้การเจริญมรนุสติใช้ความตายเป็นที่ตั้งของสติเราลกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้ว เดี๋ยวคนที่เรารักเราห่วงเรากังวลก็ตายแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ใช่เป็นชีวิตที่ถาวรเป็นชีวิตชั่วคราวไปกังวลกับชีวิตของของเราและของเขาที่เป็นของชั่วคราวทําไมทําแทบเป็นแทบตายพอตายไปก็สูญไปหมด ไม่มีอะไรเอาติดตัวไปได้เลยสู้มาปฏิบัติธรรมกันไม่ดีกว่าเลยเพราะเวลาปฏิบัติธรรมจะได้ผลจากการปฏิบัติธรรมติดตัวไปถ้ายังไม่ได้ผลก็จะได้รับนิสัยคือการปฏิบัติธรรมติดตัวไปเวลาไปเกิดข้างหน้าก็จะมีนิสัยชอบปฏิบัติธรรมชอบเข้าวัดชอบฟังเทศฟังธรรม อันนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมต่อได้ถ้ายังไม่ได้บรรลุถึงผลขั้นไหนก็เอาการปฏิบัติติดตัวไปแล้วพอไปปฏิบัติต่อไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถบรรลุถึงผลได้แล้วถ้าตายไปก็เอาผลที่ได้นั้นติดตัวไปเช่นถ้าได้โสดาปฏิผล เวลาตายไปก็เอาโสดาปฏิผลไปด้วยถ้าได้สกิดาคามีผลเวลาตายไปก็เอาสกิดาคามีผลไปด้วยถ้าได้อนาคามีผลก็เอาอนาคามีผลไปด้วยถ้าได้อรหัตผลก็เอาอรหัตผลไปด้วยไม่สูญไม่สูญหายไป ไม่เหมือนกับได้เงินร้อยล้านพันล้านได้ตำแหน่งสูงสูงหรือตำแหน่งอะไรต่างๆพอตายไปแล้วเอาไปไม่ได้เลยจึงไม่ควรที่จะไปหลงกับการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เช่นลาบยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกิ่นกายและบุคคลนั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เอาไปไม่ได้ทั้งหมดไม่ต้องไปกังวลกับชีวิตของคนอื่นชีวิตของแต่ละคนนี้จะต้องเป็นผู้ที่ตะเกียกตะกายเดินไปกันเองเราช่วยได้ก็ช่วยเพียงทางร่างกายเวลาที่ร่างกายเขายัางไม่เติบโต เขายังต้องการช่วยเหลือความช่วยเหลือจากผู้ที่เป็นบิดามารดาก็ต้องช่วยเหลือไปตามเรื่องแต่อย่าไปช่วยเหลือจนถึงขั้นที่อยากจะปกป้องรักษาชีวิตของเขาไม่ให้ไม่ให้สูญสิ้นไปเพราะว่ามันจะต้องสูญสิ้นไปอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะดูแลกันดีขนาดไหนก็ตามงั้นไม่ต้องไปกังวลถ้าเขาช่วยตัวเองได้เขาอยู่ได้เขากินได้เขาทําอะไรเองได้ก็ปล่อยเขาทําไปเรามาทําหน้าที่ของเราเอาสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้ดีกว่าพราเดี๋ยวเขาก็ตายจากเราไปแล้วหรือเราก็ตายจากเขาไปแล้ว เวลาเราตายไปเราก็เอาเขาไปไม่ได้เอาเขาไปเลี้ยงดูดูแลต่อไม่ได้เขาก็ต้องเลี้ยงดูตัวเขาเองถ้าเขาเลี้ยงดูตัวเขาเองไม่ได้เขาก็ต้องตายไปเลี้ยงดูได้ก็ต้องตายไปเหมือนกันนี่คือประโยชน์จากการใช้มรณาสติเป็นที่ตั้งของใจเป็นที่ตั้งของสติคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆจะทาให้เราปล่อยวาง สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่อาจจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นต่อการปฏิบัติธรรมของเราก็ได้บางทีเราห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงอะไรต่างๆเลยทำให้ไม่สามารถที่จะมีเวลาออกมาปฏิบัติธรรมได้กันแต่ถ้านึกถึงมรณะนุสตินึกถึงความตายนึกถึงความสิ้นสุด ของบุคคลต่างๆของสิ่งต่างๆไม่ว่าเราจะดูแลเขาดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดเขาก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราปล่อยวางเขาได้เพื่อที่เราจะได้มาทำงานที่เป็นประโยชน์ที่เราสามารถเอาติดไปกับเราได้คือการปฏิบัติธรรม การสร้างพลังใจขึ้นมาเพื่อที่จะได้บําเพ็ญและปฏิบัติให้บรรลุถึงผลต่างๆคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่เป็นผลที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือสิ่งที่เรา จเจริญสติกันถ้าถนัดในการใช้มรณานุนสตินี่จะเป็นประโยชน์มากแต่จะเป็นสิ่งที่ยากกับจิตใจที่ยังอ่อนแออยู่จิตที่ยังอ่อนแออยู่นี้จะไม่กล้าคิดถึงความตายเพราะเวลาคิดถึงความตายแล้วจะเหมือนกับไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกาลังใจที่จะทาอะไร มีแต่ความหดหู่มีแต่ความหวาดกลัวถ้าจิตใจยังอ่อนแออยู่ก็จะไม่สามารถใช้การเจริญมานุสติได้ก็ต้องใช้อย่างอื่นเช่นใช้พุทธานุสติที่เป็นาการเจริญสติสำหรับจิตใจที่ยังไม่เข้มแข็งได้ใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติ เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าหรือเรลิกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าก็คือพุทธโธพุทธโธไปหรือถ้าไม่ชอบการบริกรรมชอบเพ่งก็ใช้กระดูกร่างกายของเรานี่แหละว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทำอะไรอยู่ให้ใจเราจดจ่ออยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียว อย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ร่างกายกำลังทำอะไรก็ต้องทำตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ดูเลยว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในเอิรียบทใดกาลังทาอะไรอยู่กาลังนอนอยู่นอนแล้วกาลังจะลุกขึ้นกาลังยืนกาลังเดินกาลังไปห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตา ไปทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับร่างกายใจก็ต้องอยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าให้ไปที่อื่นอย่าให้ไปที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องคิดเช่นต้องวางแผนว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปทำอะไรบ้างก็ยืนเฉยๆ แล้วก็มีสติอยู่กับความคิดนั้นไปคิดวางแผนให้เสร็จสับแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ของร่างกายต่อไปเตรียมตัวอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทำภารกิจอะไรต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำของร่างกายในทุกอิริยาบทในทุกขั้นตอนของการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะไปทำอะไรไปมีธุระกับใครก็คอยดูให้สติจดจอ่อให้ใจจดจ่ออยู่กับร่างกายเสมอถ้าเวลาจำเป็นที่จะต้องอยู่กับเรื่องอื่นก็ให้มีสติอยู่กับเรื่องอื่นเช่นเวลาต้องทำงานทำการก็ให้มีสติอยู่กับการทำงานเวลาต้องทำบัญชีบวกลบคูณหารก็ให้มีสติอยู่กับการทำบัญชีไป เวลาต้องคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้เรื่องงานเรื่องการก็มีสติให้อยู่กับเรื่องการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการพอเสร็จแล้วก็กลับมาดูที่ร่างกายต่อไปร่างกายทําอะไรก็อยู่กับร่างกายไปพอร่างกายพักรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารพอมีเวลาว่างไม่รู้จะทํายังไม่ถึงเวลาที่จะทํางาน ก็ไปนั่งในมุมสงบที่ไหนหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอันนี้ก็เรียกว่าการเจริญสติถ้ารู้จักเจริญสตินี้จะสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่ากำลังทำอะไรจะดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายเป็นหลักหรือให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่เป็นหลัก แต่จะไม่ปล่อยให้ลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ถ้ามีสติอย่างนี้เวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบเพราะใจไม่ลอยไปลอยมาเหมือนกับเวลาที่เราจะเอาได้เข้าไปในรูเข็มนี่ถ้ามือเราสายไปสายมา เราจะไม่สามารถที่จะร้อยได้เข้าไปในรูเข็มได้เวลาร้อยได้เข้าไปในรูเข็มนี้มือต้องนิ่งต้องพุ่งไปที่รูเข็มเพียงแห่งเดียวแล้วก็ดันได้เข้าไปในรูเข็มถ้ามือสายไปสายมาก็จะไม่สามารถเอาได้เข้าไปในรูเข็มได้ ฉันใดการทําใจให้สงบก็เหมือนกับเอาใจเข้าไปในรูของสมาธินี่เองสมาธินี้ก็เป็นเหมือนถ้าหรือเป็นเหมือนห้องที่ใจจะต้องเข้าไปแต่ถ้าใจลอยไปลอยมาไม่ยอมจ่อไปที่ประตูทางเข้าไปทางซ้ายของประตูไปทางขวาของประตูก็จะเดินเข้าไปในห้องไม่ได้ ใจจะต้องนิ่งใจจะต้องอยู่ตรงกับทางเข้าของประตูของสมาธิถึงจะเข้าไปในสมาธิได้ใจต้องมีสติจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวถึงจะเข้าสู่ความสงบได้นี่ก็คือเรื่องของการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิสมาธินี้มีความสำคัญอย่างไร สมาธิก็คือจะทําให้ใจมีความสุขนั่นเองเวลาใจสงบแล้วจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้ามีความสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วใจก็จะไม่อยากได้อะไรมีความสุขพอแล้วอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้รับจากสมาธิแล้วใจก็จะเป็นกลาง นอุเบขาคือจะไม่มีความโลภความอยากอืความรักความชังความกลัวความหลงอยู่ภายในใจใจจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรต่างๆขณะที่อยู่ในสมาธินั้นจะไม่มีความรู้สึกหวั่นไหวกับอะไรเลยจะไม่กลัวอะไรจะไม่หลง กังวลห่วงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่รักคนนั้นคนนี้ไม่จะไม่ชังคนนั้นคนนี้ใจจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความรู้สึกของร่างกายที่อาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนนี่คือประโยชน์ของการได้มีสมาธิเมื่อมีความสุขใจแล้ว ก็จะทำให้ออกมาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการอยากได้ความสุขอยากสิ่งต่างๆได้จะเห็นว่าความสุขที่ได้นั้นไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มาและไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่ามีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่ได้จากสมาธินี้ แทนที่จะไปทําตามความอยากเช่นออกจากสมาธิแล้วก็เกิดความอยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นอยากจะรับประทานขนมอยากจะรับประทานอะไรต่างๆหรือดูอะไรหรือฟังอะไรพอใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่ามันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไปแล้วก็จะต้องเติมใหม่ จะต้องหาใหม่และเวลาที่ไม่สามารถหามาได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสู้อย่าไปหาความสุขแบบนี้ดีกว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบเรากลับไปนั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบเพื่อฝืนความอยากถ้าเราฝืนความอยากแบบนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปแล้วก็จะไม่มีความความวุ่นวายความกาวนกาวายความหงุดหงิดความลำคาญใจที่เกิดจากความอยากเพราะความอยากไม่สามารถที่จะมาดึงใจให้ไปหาสิ่งต่างๆได้อีกแล้วใจไม่ต้องการ ที่จะหาความสุขจากสิ่งของต่างๆภายนอกใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะไม่ว่าจะเป็นความสุขของของร่างกายเองร่างกายจะอยู่จะเป็นจะตายก็จะไม่มีความวิตกกังวลจะไม่เดือดร้อนสามารถปล่อยให้ร่างกายตายไปได้ ความอยากที่จะไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายไปนี้ก็จะถูกทำลายไปได้หมดเพราะจะเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่มาทำลายความสงบเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้แก่ใจอันนี้ก็คือเรียกว่าการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาและและการใช้ปัญญาตัดกิเลสนี้ ตัดความอยากดับความทุกข์นี้จาเป็นจะต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเพราะถ้าใจยังไม่มีความสงบไม่มีความอิ่มไม่มีอุเบกขานี้จะต้านความอยากไม่ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะต้องวิ่งไปทันทีต้องทำตามความอยากทันทีถ้าไม่ได้ทำแล้วเหมือนกับจะตายให้ได้ อันนี้เพราะว่าใจไม่มีความสุขอยู่ในตัวเองนั่นเองแต่พอมีความสุขอยู่ในตัวเองแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาพิชใช้ปัญญ า, าต่อสู้สอนใจว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการไปสู่ความสุขแตะเป็นการไปสู่ความทุกข์ เพราะสิ่งที่อยากได้สักวันหนึ่งก็จะไม่สามารถหามาได้เวลาหาไม่ได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปและร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่จะหาสิ่งต่างๆตามความอยากต่อไปก็จะไม่สามารถทำงานทำหน้าที่ได้ไม่สามารถทำตามความอยากได้พอไม่สามารถทำได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ แต่ถ้าไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายจะมีสิ่งต่างๆหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะมีความสามารถหาได้หรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจแล้วเพราะมีความสุขที่ดีกว่า คือความสุขที่ได้จากความสงบคืคอสมาธินี่คือธรรมที่พทธเจ้าทรงสอนให้ผู้บาเพ็ญบำเพญบเพ็ญการเป็นขั้นๆ้นต้องมีศรัทธาในเบื้องต้นพอมีศรัทธาแล้วก็จะมีความวิริยะอุตสาหะความเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้มันจเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อให้ใจรวมเข้าสู่ความสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาเพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วจะใช้ความสุขนี้ทดแทนการหาความสุขจากสิ่งต่างๆตามความอยากตามความต้องการของใจพอมีความสุขจากความสงบแล้วเวลาอยากจะหาความสุขจากสิ่งอื่นก็สามารถที่จะหยุดได้ ไม่จำเป็นต้องไปหาแล้วมีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วไปหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาทำไมทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากจะหาความสุขด้วยนี้ล้วนเป็นอนิจจังคือไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันหมดไปเวลาหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ไปไม่สามารถอยู่เป็นสมบัติของใจไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให ให้สิ่งต่างๆให้ความสุขกับใจไปได้ตลอดจะต้องมีวันจากกันไปจะต้องมีวันเปลี่ยนไปหมดไปนี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่มีสมาธิแล้วให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะถ้าเป็นรูปร่างของคนหน้าตาของคนก็พิจารณาว่า สวยงามภายนอกแต่ข้างในไม่สวยงามภายใต้ผิวหนังมีส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมและอนาคตของร่างกายต่อไปก็จะต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บและเป็นคนตายไปให้พิจารณาดูอสุภะดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อจะได้ไม่หลงไหลคลั่งไคล้ไปกับความสวยงามของร่างกายที่เป็นของชั่วคราว ที่จะต้องมีวันหมดไปมีวันเปลี่ยนไปถ้าเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนก็จะหายจากความรุ่มหลงจากการที่อยากจะได้ร่างกายของผู้อื่นมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับตนได้ก็จะสามารถอยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องทุกขกับคนนั้นทุกกับคนนี้น แล้วก็พิจารณาคนทุกคนที่เรารู้จักไม่ว่าเราจะรักหรือไม่รักก็ตามว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปทุกคนและร่างกายก็ไม่ใช่เป็นตัวของเขาตัวของเขานั้นอยู่ที่ใจที่ไม่มีวันตายเช่นพ่อแม่เน้นเวลาตายไปตายเพียงแต่ร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นตัวของเขาร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นผู้รับใช้เขาเท่านั้นเอง ตัวของเขาเองนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวของเขาอยู่ที่ใจที่จะต้องไปเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากที่จะใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับตนอีกแต่ถ้าตัดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่ดังนั้นเราจะรู้ว่าไม่มีใครตายเยเวลาสิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้อง ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่บุตรไม่ใช่ธิดาเป็นเพียงตัวแทนหรือเป็นผู้รับใช้เขาเท่านั้นเองตัวเขานี่ไม่มีวันตายมีแต่ว่าจะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหรือจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกก็ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังไม่เป็นก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ก็มีเท่านั้นแต่ไม่มีใครตายพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายพี่น้องไม่ตายสามีภรรยาไม่ตายบุตรธิดาไม่ตายญาติสนิทมิตรสหายไม่มีใครตายเทนั้นสิ่งที่ตายมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟคือร่างกายร่างกายนี้ทํามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลมที่เราหายใจเข้าออกนี้น้ำที่เราเดื่มเข้าไป ดินก็คืออาหารเช่นข้าวที่เรารับประทานเข้าไปไฟก็คือความร้อนที่ปรากฏขึ้นมาในร่างกายมันก็เป็นผลจากการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เองพอธาตุสีมารวมตัวกันก็ทำให้เกิดอาการ32ขึ้นมาเกิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำสเลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ขอน้ำมูดนี่คืออาการต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายที่เกิดจากการผลิตของดินน้ำลมไฟถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟจะไม่มีร่างกายอันนี้และเวลาร่างกายอันนี้ ตายไปดินน้าลมไฟที่รวมอยู่ในร่างกายนี้ก็แยกทางกันไปร่างกายนี้ก็อันตรธานหายไปเหลือแต่ดินน้าลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีภรรยาไม่มีบุรทิดาไม่มีญาติสนิทมิสหายอยู่ในร่างกายเหล่านี้เลยตัวบุคคลเหล่านั้น มีอยู่ในใจของแต่ละดวงที่จะต้องไปตามอำนาจของบุญของบาปตามอำนาจของกิเลสตัณหาต่อไปถ้าหลุดพ้นไม่มีอำนาจไม่มีกิเลสตัณหาก็จะหลุดพ้นไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้ายังมีอยู่ก็ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายไปรับผลบุญผลบาปตามภพ ต, ต่างๆต่อไปนี่คือเรื่องของปัญญา ถ้าเราได้พิจารณาอย่างรอบครอบแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยจะไม่เสียใจกับอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครเสียไม่มีใครตายสิ่งที่เสียนะัมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดในตัวของมันเองเพราะมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองเวลาคนตายเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเวลาอยู่เราก็ไม่วิตกกังวลกับเขา เพราะเรารู้ว่ายังไงยังไงไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนไม่มีใครมาห้ามได้เรื่องของร่างกายจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ใจของเขานั่นจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็อยู่ที่เขามีปัญญาหรือไม่มีปัญญามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิมีสติหรือไม่มีสติมีวิริยะความภาคเพียรหรือไม่มีมีศรัทธาหรือไม่มีถ้าเขาไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา เขาก็จะต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เขาหลงคิดว่าเป็นของเขาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเขาก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เขามีครอบครองอยู่และจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เขาต้องมาสัมผัสรับรู้มาประเชิญมาพบเห็นแต่อย่างใดนี่คือเรื่องของพลังใจเรื่องของน้ำมัน ที่จะทำให้ใจนั้นอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ที่จะพาใจให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราจึงต้องมาเติมน้ามันกันอยู่เรื่อยๆมาแวะสถานีบริการคือมาวัดเพื่อมาเติมพลังของใจคือเติมศรัทธาเติมวิริยะเติมสติเติมสมาธิเติมปัญญากันถ้าเรามาบ่อยๆเติมบ่อยๆ เราก็จะมีกำลังที่จะพาให้เราเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปถึงกันเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ไปถึงพระนิพพานแดนแห่งบรมังแดนแห่งบรล ม, มสุขปล ม, มังสุขขังก็ขอให้พวกเราจงพยายาม บังคับตัวเราเองให้วัดเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆให้วัดมาวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างความสร้างพลังให้แก่ใจสร้างความสุขให้แก่ใจดับความทุกข์ต่างๆทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะทาวเรวะหาปุราปาริภุเรนติสคกลังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะทามณิโชติ อาระโสยะธาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพงโควินัสสตุมาเตภวะตะวันตราโยสุขีธีคายุโกภาวะอภิวาทนสีลทธสานิจจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวทานติอายุวันโอสุขัง ล, ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามอีกต่อไปถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้านที่ ถามมาให้พิธีกรถามผ่นของทางบ้านก่อนคำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามกราบขอความรู้เกี่ยวกับการถวายสังฆทานค่ะเช่นข้าวสารพริกหอมแดงกระเทียมน้ำปลาซีอิว๊วของดังกล่าวถวายเป็นสังฆทานได้หรือไม่คะและมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างคะคือการถวายของให้กับพระนี่ถวายได้ทุกอย่าง แต่ว่าต้องรู้จักเวลารู้จักการรเทสะคือของบางอย่างนี้พระท่านจะรับประเคนกับมือได้ของบางอย่างท่านรับประเคนกับมือไม่ได้ในบางเวลาเีช่นอาหารนี้ท่านจะรับได้ก็ช่วงขนาดที่ท่านบินทบาดหรือว่าท่านกำลังฉันอาหารอยู่หลังจากที่ท่านฉันอาหารเสร็จแล้ว ของต่างๆที่เป็นอาหารนี้ท่านรับประเค้นไม่ได้แต่ญาติโยมก็ยังสามารถถวายได้โดยเอาของที่อยากจะถวายวางไว้เฉยๆแล้วบอกให้ท่านทราบว่าขอถวายอาหารนี้ถ้าท่านรับประเค้นท่านจะต้องสละอาหารเหล่านั้นไปเพราะท่านมีกฎระเบียบไม่ให้เก็บอาหารข้ามคืนไม่ให้สะสมอาหารต่างๆถ้าจะ ถ้าจะให้พระท่านฉันในวันต่อไปก็วางไว้แล้วท่านจะให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือวัดที่เขามีห้องเก็บของเขาก็จะเอาไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของแต่จะไม่ถือว่าเป็นของพระจะเป็นของญาติโยมดูแลให้กับพระแล้วญาติโยมลูกศิษย์นั้นก็จะนาเอามาถวายในวันต่อไปหรือเวลาที่การเกิดการ ขาดแคลนหรือความต้องการอาหารเพราะว่าบางวันเบญดบาบอาจจะได้มากบางได้น้อยบ้างบางวันคนมาวัดมากบ้างน้อยบ้างเนือาหารที่เราถวายนี้ที่พระยังไม่รับประเคนนี้สามารถที่จะเอามาประเคนถวายพระได้ในวันที่อาหารน้อยเนืนเรื่องถวายข้าวของต่างๆนี้ถวายได้หมดเพียงแต่ว่า วิธีรับของพระนี่มีหลายวิธียังวันนี้ญาติโยมที่เอาของที่เป็นของรับประทานหรือเครื่องดื่มมานี่ก็จะให้วางไว้เฉยๆเพราะว่าถ้ารับกับมือแล้วถ้าเป็นอาหารก็ถือว่าผิดกฎผิดระเบียบแล้วอาหารที่รับก็ต้องสละไปเก็บไว้ชันไม่ได้แต่ถ้าเอาวางไว้เฉยๆแล้วให้ลูกศิษย์เาเก็บไว้ก่อน พอวันนุ่งขึ้นต้องการอาหารก็บอกให้ลูกศิษย์เขาจัดการนำมาถวายได้ดังนั้นเรื่องของการถวายข้าวของต่างๆนี้ก็เป็นในลักษณะนี้ของบางอย่างพระรับกับมือไม่ได้แต่รับถวายได้เช่นเงินทองที่ญาติโยมถวายนี้ก็รับกับมือไม่ได้แต่ให้วางไว้ในกล่องได้แล้วเดี๋ยวลูกศิษย์เขาจะจัดการ ดูแลจัดการให้เวลาพระต้องการใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของที่จําเป็นก็สั่งให้ลูกศิษย์จัดการทําให้ได้แต่ไม่สามารถรับกลับมือได้อันนี้เป็นกฎระเบียบของพระดังนั้นแต่ที่นี้ในแต่ละวัดในแต่ละแห่งความเข้าใจในพระธรรมวินัยในการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นก็มีเหลื่อมล้าต่ําสูงเ แล้วบางวัดก็ทำแบบไม่ถูกแต่ก็ถือว่าทำกันมากันอยู่อย่างต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นของถูกไปเช่นการรับเงินทองบางวัดเขาถือว่าเป็นเรื่องถูกต้องเขาก็รับเงินรับทองกันไปของที่เป็นของกินถึงแม้ว่าจะเป็นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเขาก็รับประเคตกันแล้วเขาก็เอาไปให้ลูกศิษย์ จัดการเอามาถวายในวันรุ่งขึ้นอันนี้มันก็ต้องไปศึกษาตามวัดต่างๆวัดที่เราจะเอาเข้าวของไปถวายไปถามคนในวัดเขานั่นแหละเขาก็จะรู้เขาก็จะบอกวิธีการถวายข้าวของต่างๆให้กับพระวัดนั้นวัดแต่ละวัดนี้จะมีธรรมเนียมปฏิบัติไม่เหมือนกัน และถ้าถวายแล้วพระท่านรับประเค้นแล้วต่อมานํามาห่งเป็นข้าวสวยหรือนําเครื่องปรุงมาใช้อีกในวันหลังพระท่านจะฉันได้หรือไม่คะถ้ารับประเค้นของวันนี้แล้วก็ไม่สามารถเอากลับมาใหม่ก็ใช้ใหม่ได้ต้องสละสิทธิ์ไปต้องยกให้ลูกศิษย์ลูกหาไปยกเว้นลูกศิษย์ลูกหาฉลาดเอากลับมาถวายใหม่โดยที่พระไม่ได้สั่งก็ยังทําได้อยู่ แต่พระบอกไม่ได้บอกว่าให้เก็บไว้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาถวายใหม่อย่างนี้ไม่ได้พระต้องให้ขาดไปจากใจคือให้ของเขาไปแล้วเขาจะเอาไปกินเองเอาไปให้หมากินหรือจะเอาไปโยนทิ้งก็เรื่องของเขาหรือเขาเกิดอยากจะได้บุญเขาจะเอากลับมาถวายเห็นพ่อหลวงพ่อวันนี้ฉันเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพ่ออาจอยากจะฉันอีกเขาก็เอามาถวายให้อีกอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่พระไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ เย็นน้ำปลาก็ถวายมาทั้งขวดวันนี้ก็ใช้ไปนิดหน่อยยังเหลืออยู่ก็เก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้ต่ออย่างนี้ไม่ได้ใช้วันนี้แล้วก็ต้องสละน้ำปลาขวดนั้นไปให้ลูกศิษย์ไปแต่ลูกศิษย์ฉลาดพวกนี้เทใส่ถ้วยมาให้หลวงพ่อใหม่อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าลูกศิษย์ไม่ฉลาดก็เก็บไว้กินเองหลวงพ่อก็อดกินคาถามจากคุณบุญชู ผมกำหนดสติในอิริยาบถต่อเนื่องแล้วจะมีคำถามเกิดขึ้นก็กำหนดสติสักพักคำตอบก็ผุดขึ้นทำให้เข้าใจล ะ, ละเอียดขึ้นจากนั้นปิติก็เกิดและก็ทรงอาการอย่างนั้นไว้อย่างมีสติไปเรื่อยๆ ร, รู้สึกมีความสุขเบาสบายมีกำลังใจอยากทำเพียนไปเรื่อยๆความรู้ขณะที่ตอบตอนทำเพียน เรียกว่าปัญญาหรือแค่สังขารครับถ้ามันสามารถดับความทุกข์ละตัณหาละกิเลสได้มันก็เป็นปัญญาทั้งหมดที่ทาถูกทางไหมครับถ้าเกิดความสุขเกิดปิติมันก็มันก็ถูกทางแล้วแล้วหนทางที่จะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นควรเพิ่มเติมอย่างไรดีครับก็ปฏิบัติต่อไ ป, ไปละกิเลสตัวที่เรายังละไม่ได้ ละตันหาความอยากตัวที่เรายัางละไม่ได้ต่อไปคำถามจากคุณกิ่งพัยความทุก์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดเราก็ไม่มีความทุก์ตัดได้เพียงชั่วครู่การยึดมั่นถือมั่นมันก็กลับมาอีกจะทำอย่างไรถึงจะเอาชนะได้ครับก็ต้องมีปัญญาตลอดเวลาให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลา การจะเห็นแบบนี้ได้ก็ต้องภาวนาตลอดเวลาต้องเจริญสติต้องนั่งสมาธิสลับกับการเจริญปัญญาก็จะทำให้สามารถที่จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ตลอดเวลาคำถามจากคุณอ็อกแชร์หากจะเริ่มต้นในการปฏิบัติจะเริ่มอย่างไรครับแล้วแต่ว่าเราอยู่ตรงจุดไหน ถ้าเราอยู่ชั้นอนุบาลเราก็ต้องเริ่มที่ชั้นอนุบาลถ้าเราอยู่ชั้ น, นประถมเราก็ไปเริ่มชั้นประถมถ้าเราอยู่ชั้นมัธยมเราก็ไปสู่ชั้นมัธยมจิตของแต่ละดวงนี้อาจจะได้รับการฝึกฝนอบรมได้รับการพัฒนามาไม่เท่าเทียมกันแต่ก็ก็ต้องเริ่มแต่จุดที่ตนเองทำได้หรือทำทำจุดที่ทำได้แล้วก็รู้ว่าเราทำได้แล้ว เราก็ไปทําในจุดที่เรายังทําไม่ได้เช่นเรายังทําบุญทําทานไม่ได้ยังหวงยังตันีเงินทองเข้าของอยู่เราก็ต้องทําบุญทําทานก่อนถ้าเราทําบุญทําทานได้แล้วแต่เรายัง ร, รักษาศีลไม่ได้เราก็ไป ร, รักษาศีลห้ากันก่อนถ้ายัาง ร, รักษาถ้า ร, รักษาศีลห้าไม่ได้ก็เอาศีลสีก็ได้ศีลสามก็ได้ศีลสองก็ได้เอาข้อไหนข้อห น, อหนึ่งที่เรา รักษาได้ก็รักษาไว้ก่อนส่วนข้อที่เรายังรักษาไม่ได้ก็พยายามซ้อมทำฝึกไปเรื่อยหัดไปเรื่อยจนกว่าเราจะสามารถรักษาได้พอเรารักษาศีนั้นได้5ข้อเราก็ไปลองรักษาศีล8ดดูกันเห็นแปก็รักษาอาทิตย์ละวันก่อนก็ได้รักษาศีห้าทุกวันยกเว้นวั น, ว, น, ว, นวันที่จะรักษาศีล8ก็เพิ่มอีกสาข้อไป ถ้าเรารักษาสิ้นแปได้แล้วเราก็ไปภาวนากันไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดได้แล้วถ้ารักษาสิ้นแปได้ก็ไปอยู่วัดได้ไปปีกวิเวกได้ไปเจริญสติถ้ายังไม่มีสติก็จเจริญสติถ้านั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่มีสติก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ พอใจสงบแล้วออกจากสมาธิก็จเจริญปัญญาไนดะ้พิจารณาตายรักมาดับความอยากต่างๆได้อันนี้มันก็เป็นขั้นเป็นตอนของการปฏิบัติทั้งหมดดังนั้นก็เป็นหลักสูตรของของโรงเรียนนับตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงชั้นระดับปริญญาเอกทีนี้ผู้ที่มาสมัครเรียนนี้อาจจะมีได้เรียนผ่านมาชั้นต่างๆไม่เหมือนกันก็ต้อง ไปปฏิบัติต่อชั้นที่ตนเองยังไม่สามารถปฏิบัติได้คำถามจากคุณทารีรัพอเริ่มนั่งสมาธิจะชอบน้ำลายออกมาเยอะต้องอดกลืนไม่ได้ไม่นั่งสมาธิไม่มีน้ำลายเลยค่ะเราจะกำหนดอย่างไรถึงจะหยุดน้ำลายไหลคะ เ, ออเราอย่าไปสนใจเราต้องมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการนั่งสมาธิ ถ้าเราใช้พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปอย่าไปสนใจกับน้ำลายถ้าใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจไม่ต้องไปสนใจกับน้ำลายปล่อยมันมันอยากจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปออกมาทางปากทางไหนก็ปล่อยมันไหลไปถ้าเราไม่ไปสนใจมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ไม่ไหลเองยิ่งถ้าเราไปให้ความสนใจมันก็จะยิ่งไหลใหญ่เหมือนกับเวลาคันก็เหมือนกันเวลาคันแล้วก็อยากจะเกายิ่งอยากจะเกามันก็ยิ่งคันใหญ่ แล้วอย่าไปสนใจมันคันก็ปล่อยมันคันไปเราก็อยู่กับพุทธโธพุทธโธของเราไปดูลมหายใจไปถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงความคันเดี๋ยวความคันมันก็หายไปเองเช่นเดียวกับน้ำลายถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องน้ำลายเราอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำลายมันก็หายไปเองมันไม่มีปัญหาคำถามจากคุณทิติกรการปฏิบัติอาณาปานาสติภาวนานี้ เป็นทั้งสมถะและวิปัสนาไปในตัวหรือไม่ครับก็แล้วแต่ถ้าเราดูเฉยๆดูว่าลมเข้าลมออกอันนี้ก็จะเป็นสติเพื่อทําให้ใจสงบเป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาลมหายใจว่าหายใจเข้าแล้วถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอย่างนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาคําถามจากคุณจิตตี้อยากได้คําอธิบายคําพูดสมัยนี้ที่ว่า ทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้เพราะสำหรับบางคนการทำสัลยกรรมนี่พลิกชีวิตของเขาไปเลยนะคะถือเป็นการที่เขาทำบุญมาก่อนหน้านี้หรือเป็นการนำบุญจากอนาคตมาใช้หรือเปล่าคะคือความสวยงามของคนเราก็มีสองส่วนสวยที่หน้าตาร่างกายกับสวยที่จิตใจนะความสวยที่จิตใจ ก็คือการทำบุญใจคนคนที่ใจบุญนี้จะสวยงามทางจิตใจแต่ถ้าเงินที่จะทำบุญนี้มาทำสัญญกรรมก็จะได้ความสวยงามทางร่างกายชาติหน้ากลับมาก็อาจจะได้หน้าตาอัปปะลักษ์เพราะว่าไม่ได้ทาบุญถ้าทำบุญแล้วชาติหน้ากลับมาก็จะได้หน้าตาที่สวยงามคาถามเจ้าคุณสุริยาข้อหนึ่ง จิตที่ถึงนิพพานแล้วกายยังอยู่ใช้ชีวิตได้ใช่ไหมครับอา้าวครพระพุทธเจ้าถึงนิพพานตั้งแต่วันแผ่นเดือนหกตอนที่อายุสามสิบห้าพรรษานี่พระพุทธเจ้าใจของท่านก็ถึงนิพพานแล้วแต่ร่างกายของท่านก็ยังเป็นส ม, มณะโคดมเป็นพระอรหันตาสัมมาสาัมพุทธเจ้าท่านก็ใช้ร่างกายนี้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปโดยการเทศนาว่ากล่าว ให้แก่ศรัทธาญาติโยมและภิกษุสา ม, มนเณรรวมทั้งเทวดาทั้งหลายและจิตที่ถึงนิพพานหลังจากตะกายตายแล้วจิตดวงนั้นจะไม่กลับมาเกิดในในกายอีกเลยใช่ไหมเข้าใจตามนี้ถูกต้องไหมครับอจิตดวงนั้นมันพอแล้วมันเบื่อแล้วมันเห็นโทษของการมีร่างกายเหมือนกับเห็นเราเราเคยดื่มยาพิษอยู่ได้เรื่อยพอวันดีคืนดีรู้ว่า ทุกวันนี้ที่เราปวดท้องเพราะดื่มไม่เครื่องดื่มชนิดนี้พอเรารู้แล้วเราจะกลับไปดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นอีกหรือเปล่าเหมือนการล่างทุกวันนี้ที่เราทุกันเราทุกข์กับใครถ้าไม่ทุกข์กายร่างกายอันนี้แล้วกยังเป็นยังไม่พอไปทุกข์กับร่างกายของคนอื่นอีกเราจะกลับมาเกิดท้าความทุกข์แบบนี้อีกทำไมข้อสองเราจะแนะนําให้ผู้อื่นรู้ได้อย่างไรว่าผลของบาปและบุญมีจริงครับ ก็ต้องอห้กขาไปฟังเทศฟังถามจากพระพที่รู้จริงเห็นจริงคำถามจากคุณบุญมีข้อหนึ่งฟังเทศพระอาจารย์ช่วงตอบปัญหาที่ว่าจะลาออกจากงานที่ผิดกฎหมายเดี๋ยวเทวดาก็หางานหาใหม่ให้เทวดามีหลายกลุ่มใช่ไหมครับก็เทวดามีหลายหลายชั้นหลายกลุ่มแล้วก็แล้วแต่ว่าเทวดานั้นก็มีความผูกพันกับเราหรือไม่ ถ้าเรามีความผูกพันชาติก่อนอาจจะเคยร่วมบุญกันช่วยเหลือกันพอชาตินี้เขาตายเขาชาติก่อนตายไปเขาไปเป็นเทวดาเรามาเป็นมนุษย์แต่เขาก็ยังคิดถึงเราเขาก็อาจจะมาคอยคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเราก็ได้แล้วเทวดากลุ่มนี้เขาต้องการส่วนบุญจากของคนเป็นการตอบแทนไหมครับ เขามีบุญมากกว่าไงเขาเป็นเทวดานีเขาแสดงว่าเขามีบุญมากกว่ามนุษย์เขามีความสุขเขาไม่ต้องรอรับส่วนบุญจากมนุษย์เขามาช่วยเหลือมนุษย์เพราะว่ามีความผูกพันเป็นกรณีส่วนตัวข้อสองฟังเทศพระอาจารย์เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์คือผมเคยฆ่าปลาอยู่สี่ปีเพราะทำงานร้านอาหารฆ่าทุกวันช่วงอายุสิบห้าถึงสิบแปดปี เมื่อผมตายผมจะต้องมาเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่าทุกตัวหรือครับแน่นอนนอกจากว่าถ้าเวลาตายไปบุญมีมากกว่าบาปก็ยังไม่ต้องไปไม่ต้องไปเกิดเป็นปลาไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นมนุษย์ก่อนก็ได้ตามใดถ้าเรายังสามารถทาให้มีในบัญชีของเราในใจของเรานี่มีบุญมากกว่าบาปบาปที่เราทำไว้ยังไม่มีกำลังพอที่จะดึงเราไปรับผลบาป เราก็จะไปรับผลบุญก่อนงั้นตอนนี้พยายามทำบุญเยอะๆเพื่อจะได้อย่างน้อยมีให้มีบุญมันมีมากกว่าบาปเวลาตายไปจะได้รอลงอาญาก่อนเรื่องความผิดเเพราะว่าเรามีความดีมากกว่าความชั่วเราไปรับผลรับรางวัลของความดีก่อนได้แต่เวลาใดที่ความชั่วมันมีมากกว่าความดีเวลานั้นเวลาตายไปก็ต้องไปรับผลของความชั่วทันที หมดแล้ ว, ลวเลยนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมกลับมามาตรการเจ้าค่ะ เ, ออเมื่อเรายังมีร่างกายอยู่เราก็เอาจิตของเราไว้กับที่พุทโธลมหายใจเข้าออกหากว่าเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะเอาจิตของเราไว้ที่ไหนเจ้าคะ เ, ออเวลาไม่มีร่างกายมันก็จะไปรับผลบุญผลบาปก่อนเวลานั้นจะไม่สามารถปฏิบัติทําได้ หมดแล้วเหคือถ้าไม่มีร่างกายก็ยังเอาเอาเอ า, เอาสติเอาจิตไว้อยู่กับอารมณ์ก็ได้ดูจิตไปดูว่าตอนนี้จิตคิดดีหรือคิดชั่วคิดชั่วก็หยุดมันอย่าอย่าปล่อยให้มันคิดความจริงจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปในภายในจิตก็ยังทำได้อยู่ถ้าเราติดนิสัยบริกรรมไปเวลาตายไปไม่มีร่างกายจิตมันก็ยังบริกรรมพุทโธพุทโธได้อยู่ เรื่องกถึงารณะนุสติได้อยู่คือถ้าไม่มีร่างกายนี้ก็ยังสามารถที่จะเจริญสติได้แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่มีสติพอที่จะมาเจริญกันเวลาใกล้าตายนี่มันใจมันจะวุ่นวายนอกจากใจที่ได้ฝึกมาดีแล้วก็จะมีสติผักคับประคองไปก็จะพคับประคองจิตให้ไปสู่สุขติไปรับผลบุญไป